ก็ขอบมทนาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนะ ฉะนั้นความเป็นพรุทธเจ้านั้นจึงเป็นทั้งหมดทั้งรู ป, ปรขันธ์ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งฐานวิญญาณถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรจะเห็นว่าขันธ์ห้าของพระศ า, าสดาเป็นพระพุทธเจ้าพยานที่แล่นไปในที่ต่างๆถ้ามองอย่างนี้นะว่าพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพยานบัณฑิตก็ย่อมรู้ได้ว่าอารู ป, ปรขันธ์สีที่สัมพยุติกับพยาน และรู ป, ปรขันธ์ที่อรู ป, ปรขันธ์สี่นั้นอาศัยก็ถูกทําให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันในวันที่พระส า, าสดาตัสรูนุตรสาัมมาสัมโพธิญาณอะไรบริสุทธิ์พยานใช่ัหยคือสัพพัญยุตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้มาในมหากริยาพยานนั้นบริสุทธิ์หมดจด เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หมดจดแม้รูปขันของพระองค์นั้นก็หมดจดจีเลสถ้าถามว่าพุทธคุณทั้งหลายมีอนาวรณญยานอาสาธรณญยานหกพุทธญาณสิบี่เวนิกรธรรมสิบแปดเวสาลัชยานสี่พระทศพลยานสิบพญานอีกสองล้านสี่แสนโกดสมาบัติที่ประชุมในกระแสขันของพระาศาสดานั้นที่ได้มาหลังจากการตรัสรู้นั้น อะไรเป็นปัจจัยให้ได้มาอาราธมักกายานเนี่ยอาราตมักกายานเนี่ยที่เป็นพระอาราธผลอาราธมักอาราธมักที่ทํากิจในการประหารกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่เดือนหกวันวิสาขานที่พระองค์ได้ตดรัสรู้นุตตะสัมมาสัมพุิสัญาณนั่นแหละคือพระยาน นั่นแหละคือมรรคยานตอนเป็นตอนได้โสโดาปิามรรคเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนทําสกัดทาคามีมากให้เกิดก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทําอนาคามีมรรคให้เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พอทําอาราธมรรคให้เกิดขึ้นนั่นแหละความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วต่อมาจากอาราธมรรคเป็นต้นไปตามลําดับก็มี พยานพระพุทธคุณมากมายหลังไหลในกระแสขันของพระศ า, าสดานั่นแหละพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วถึงบอกว่าอาราธมักนั้นเป็นปัจจัยให้ได้พุทธคุณทั้งปวงแล้วอะไรเป็นปัจจัยแก่อาราธมักมหาวิปัสนาญาณทั้งหลายตั้งแต่อริยานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนา นิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาและปฏินิสคานุปัสสนาอันนั่นแหละเป็นมหาวิปาาัสสนาญาณแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้ได้มหาวิปาาัสสนาญาณอะไรเป็นปัจจัยให้ได้ก็สมาบัติที่เป็นกลุ่มสมาธิ นั้นทัมมองในลักษณะนี้จะเห็นอะไรจะเห็นสมาบัติของพระบรมศาสดาที่เป็นอุปจาระที่เป็นอัปนาสมาธิถามว่าสมาบัติของพระศาสดามีเยอะไหมถ้าเราจะมองในชั้นของคําสอนนะมองในชั้นของคําสอนที่พระศาสดาทรงอาศัยสมาบัติเป็นไปอยู่เนี่ย วันวันหนึ่งนั้นพระาศ า, าสดาัสสมาบัติเป็นไปอยู่มิใช่น้อยถ้ามองอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าสมาบัติที่พระาศาสดาทรงเข้าอาศัยอยู่แต่ละวันแต่ละวันนั้นมีจานวนอย่างมากมายหาประมาณไม่ได้ท่านใช้คำว่าพยานของพระาศาสดานเนี่ยนะพยา น, นวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดของพระผู้มีพระภาคจเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเข้ามาหากรุณาสมาบัติทุกๆวันทั้งเย็นและเช้าวันล ะ, 12, ละสิบสองแสนโกรธครั้งและทรงเข้าพระสมาบัติก็ประมาณสิบสองแสนโกรธโดครั้งรวมเบ็ดเสร็จก็คือว่ามหาวชิรายานเนี่ยทรงสัญจรในกระแสขันของพระศาสดานั้นเน่ะยี่สิบสี่แสนโกรธ ก็คือสองล้านสี่แสนโกสมาบัตรทั้งที่เป็นมหากรุณาสมาบัติและก็พรรสมาบัติถามว่าพระองค์เข้ามหากรุณาสมาบัติเพื่ออะไรก็ตรวจดูไงกระแสขันของสัตว์ของเรานี่แหละพระองค์ทรงมีมหากรุณาเนี่ยเข้าทั้งเย็นและเช้าเข้าเพื่ออะไร เพื่อตรวจดูสัตว์โลกว่าใครน้อจะมีหน่อโพเทียในการที่จะได้ตัดสรู้ตามพระพูมีพระภาคเจ้าต ร, จตรวจแล้วตรวจแล้วก็แสดงให้เห็นชัดว่ากระแสขันท่าอยตนาของเราทั้งหลายเนี่ยถูกตรวจสอบแล้วแต่ไม่ผ่านไม่ผ่าน หน้าภูมิใจมาว่าพระเจ้ า, านั้นมีพยายนหรพยายนของพระศาสดาเคยกระทบรู ป, ปรขันเวทนาสัญยาสังขันวิญญาณของเราเลยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมแล้วต่อมาพระองค์ก็อยู่ในพระสมมาบัติแล้วก็การอยู่ในพระสมาบัติของพระองค์ก็อยู่ไม่มากเพราะเป็นห่วงงั้นพระเจ้าจะใช้เวลาทั้งหมด ในการที่จะตรวจสอบเช้าเย็ยนเช้าเย็ยนแล้วก็สลับอยู่กันในพระสมบัติแล้วพระองค์ก็จะเริ่มจาลิกไปประกาศตามที่สัตว์เหล่านั้นปรากฏในพยานของพุทธเจ้าไกลกันอดไหนก็ไปดำเนินด้วยเท้าเปล่าก็าไปยากลำบากขนาดไหนก็ไปบางคาวไปนั่งคอยก็ไปนั่ง ดูจากการตัดสู้นครั้งแรกนี่พระบรมศาสดาทุกๆพระองค์เนี่ยหกไปแสดงอีกธรรมจักกัปปวัตนสูตรแต่พระศาสดาองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าจากพุทธคยาไปป่ายิปฒนะมริกะทายวันสิบแปดโยชนั่งรถก็ห้าชั่วโมง แต่เดินด้วยพอบาดปล่าเหตุผลต้องการอนุเคราะห์อุปการคีวกเพราะอุปการคีวกถ้าได้เจอภาษาสดาจะตั้งสัตทินรียไว้ในภาษาสดาแล้วจะได้อัธยาศัยในการบรรลุแต่ถ้าห่ะไปทางอากาศอุปการคีโว ก, ก็จะพลาดจากการได้บรรลุธรรมแม้ท่านเดียวก็เก็บนี่แหละคือพระเจ้า ถ้าเรามีอินทรีย์เ ก, ก้าแข็งแรงไหนเลยพระศาสดาจะไม่โปรดเราเพราะเราบ่มบรารมีไม่ทันพระศาสดาจึงมีมหากรุณาธิคุณว่าขันธพาลาพระองค์ทิ้งแต่พระธรรมที่เป็นพระศาสดาจากมาโปรดเราหลังสองพันปีแต่เราจะได้ไหมเราจะเก็บประโยชนจากการได้เจอ พระธรรมของพระศ า, าสดาหรือไม่ น, นั้นก็ไปใข่ควรแต่และท่านทองรีเบเลนเองถ้าถามบอกว่าเหมือนพระโมคคัลลานะบอกนางสุปวาสาซึ่งมีการเลื่อนนิมนต์พระศ า, าสดานางก็บอกว่าใครจะป้องกันใครจะป้องกันภัยให้แกเธอ ที่ทำให้เธอไม่ได้พบพระศาสดาเนี่ยหนึ่งทรัพย์สมบัติมันอาจจะวิบัติไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแล้วเกิดถึงโอกาสจะทำบุญเธอก็จะไม่มีสองชีวิตถ้าจะชีวิตขาดไปละใครป้องกันสามศรัทธาเป็นนามธรรมาซึ่งเกิดดับง่ายมากเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็มีเนี่ยเธอก็ถามพระโมคคัลลานะว่าป้องกันเนี่ยภัยสามประการให้แก่เธอได้ไหม พระโมคะลานะก็พิจารณาถึงอายุของเธอยังไม่หมดพิจารณาทักของเธอจะไม่ถูกภัยพิบัติต่างๆมาทําลายพระโมคะลานะก็พิจารณาถึงศรัทธาพระโมคะลานะอกป้องกันสองอย่างได้คือทราบเกกับชีวิตแต่เรื่องศรัทธาเธอต้องดูแลเองฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกัน ศรัทธาที่ตั้งไว้ในคุณของพระสาวกาต้องดูแลเองถ้ามันลดลงก็อาศัยอาหารคือคําสอนของพทะเจ้าเนี่ยเพื่อหนุนเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะตั้งสัตตินรียเป็นต้นให้แข็งแรงแล้วต้องรักษาเองต้องดูแลเองถ้ามันหายไปแปลว่าเสียหายไหมเสียหาย ก็มือเราขาดมือเราด้วนแลาจะเก็บอริยทรัพย์ในศาสนาได้อย่างไรฉันจะมองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าพระศ า, ศาสดาจะโปรดคนที่มีศรัทธาก็ัสังเกตดูที่ถ้ามีใครมีศรัทธาในพระศาสดานี่เนะพระมหากรศพเนะี่ยตอนที่ท่านออกบวชเนี่ยนะพระศาสดาก็แผ่นดินไหวที่เธอกับนาง ที่เป็นอดีตภรรยาของท่านเนี่ยเดินจากกันแผ่นดินก็ไหวภะษาสดาก็ได้ยินโอ้บุตรของเรามาแล้วเราจะเสด็จไปต้อนรับนี่ไงถ้าคนมีศรัทธาพุทธเจ้าจะไปต้อนรับแล้วจะเป็นอย่างนี้หมดตอนที่ภาษาสดาตําหนีพยโสชะพร้อมด้บริวารสติวิหารเลขห้าร้อย เพราะท่านเป็นชาวประมงมาก่อนท่านทำเสียงดังในวัดพระศ า, าสดาก็บอกว่าดูก่อนอนนนท์เสียงดังในวัดเนี่ยนะในบริเวณที่เราประทับอยู่เนี่ยอย่างกระชาวประมงหาปลาใครมาก็คือตอนนั้นท่านมาเพื่อจะมาเฝ้าพระเจ้าทีนี้มากันห้าร้อยท่านก็เสียงดังหกันเออ บาทอาจารย์เก็บตรงไหนกุฏิอาจารย์ของเราพักที่ไหนก็ เ, นเสียงเอกอัดอึงอึกันหนึง่งภาษาสดาก็เรียกหาท่านก็เข้าหมาเป้าภาษาสดาก็ตําหนิบอกว่ากายกรรมวิีกรรมเนี่ยนะของเธอไม่เคารพภาษาสดาไม่เคารพสงฆ์เป็นต้นทําส่งเส้นดังอย่างชาวประมาชาวประมงหาปลาก็ตําหนิดโดยประการต่างๆ แล้วก็ไล่เลยบอกว่าไปออกไปเราไม่ต้องการให้เธออยู่ในที่นี้เป็นต้นนี้หนึ่งท่านพยโสช้าพร้อมด้วยบริวารห้าร้อยกราบพระผู้มีพระเจ้าด้วยเ็นจางค่ะพิณ ด, ด้วยความเคารพทำประทักษิณไหว้ในทิศทั้งสี่สามรอบแล้วก็เดินจาลิศเดินออกไป เดินไปเป็นระยะทางหลายโยน์พอใกล้จะเข้าพรรษาท่านก็เรียกสัตวทธิวิหาริของท่านมาแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายเราจักจำพรรษากันนาะทีนี้แหละเราไปเฝ้าพระศาสดาในครั้งนี้พระศาสดาทรงเกื้อกูลทรงอนุเคราะห์เรา ทำไมท่านฟังเสียงตำหนิกลายเป็นเสียงเกื้อกูลได้แสดงว่าพระศาสดาต้องเห็นอะไรในเราเนี่ยจึงกล่าวจึงพูดอย่างนี้เห็นไหมว่าท่านโดนตำหนิแต่เสียงตำหนิกับกลายเป็นอุปนิสัยประใจแก่การทาศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของท่าน ท่านก็บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทพระศาสดาทรงเกื้อกูลเราพระศาสดาทรงอนุคอเคราะห์พวกเราเราทั้งหลายต้องบำเร่งความเพียรเพื่อถึงธรรมได้ยังไม่ถึงมักนี่เรายังไม่ได้ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุอริยผลก็ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งคือพันธิพาลของพระโสดาบันของพระสกาทาคาพระนาคาพระหันก็ยังไม่ได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงบำเพ็ญสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระศ า, ศาสดาทรงอนุข้อทรงเกื้ อ, อกูลเราทั้งหลายในภาษานั้นนะท่านเราดมความเพียรกันทั้งหมดเลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาทั้งสี่อภิญญาหกพอบรรลุเบลเสร็จออกภาษาพระศ า, ศาสดาแย้มพระโอษฐ ว่าพระศาสดาจะไปต้อนรับบุตรของท่านให้ผ่านนท์บอกพระหลานที่มีสมาบัตรระดับสูงมาเบสเสร็จพอมาเบสเสร็จก็เหาะไปรอต้อนรับครึ่งทางเลยนี่นพอมาเบสเสร็จตอนนั้นก็ผ่านนท์ก็ไปยุยแต่ตอนนั้นผ่านนนท์คงจะตามไปที่หลัง พอไปถึงเมื่อเสร็จก็รอท่านพะยะโสชะพร้อมด้วยสธิวิหาริก5า0้อยท่านพะยาโสชาก็มาพร้อมด้วยบริวารห้าร้อยมาพระศ า, าสดาทรงอยู่ในพระคันนโกดีไม่ออกทรงเข้าสมาบัติอนเนนชคสมาบัติชั้นสูงท่านพะยะโสชะก็มากราบท่านพระนนท ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาคูดเจริญตอนนี้ท่านพญาโสช้าพร้อมได้บริวารห้าร้อยมาขอเป้าก็พูดใเจ้าข้าเงียบไม่มีเสียงตอบท่านพยาโสช้าพร้อมด้วยสติวิหารเลขห้าร้อยพิจารณาดูวันนี้พระาศาสดาทรงท้อนรับเราด้วยสมาบัติชั้นสูงเราท่านทั้งหลายก็จะเข้าสมาบัติชั้นสูงเพื่อเ้าพระาศาสดา ท่านก็เข้าอยู่ในอเนญชาสมาบัติชั้นสูงเข้าตั้งแต่ปฐมยามนะตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปตามลำดับพอถึงสีทุ่สี่ทุ่มล่วงปฐมยามแล้วท่านพระนนก็กราบถุนพระศาสดาว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญท่านพระยาโสชะมอพระเจ้าขอพระผู้มีพระเจ้าทรงเงีเยบ ก็เงียบปิดจนล่วงเลยมัดฉิมมยามตีสองท่านพานนท์ก็ราธนายข้างหนึ่งก็เงียบจนถึงปัจฉิมมยามสว่างเนี่ยเนี่ยท่านพานนท์ก็นิ่งเพาศาสดราจรึงออกจากสมาบัติแล้วก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยการต้อนรับกันแบบระดับสูงคราวเวลาเราจะไปอินเดียเนี่ย เราจะมีคุณธรรมอะไรเนี่ยอย่างเมื่อพระพุทธเจ้าตอนรับเราในสมมาบัติแบบเนี้ยเราจะมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบมีสมาธิอะไรสักเล็กๆน้อยๆปัญญาอะไรสักเล็กๆน้อยๆหรือคุณธรรมอะไรที่เราได้ประพฤติปฏิบัติความดีที่จะไปถวายเป็นพุทธบูชาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้างหรือแม้แต่มาปฏิบัติหน้าที่ตรงเรามีอะไรเนี่ยต้องตรวจดูที่ที่ไดได้เป็น คุณธรรมจะได้มีโอกาสได้เฝ้าพระศาสดาบ้างถวายเป็นพุทธบูชาบ้างอันนั้นก็ปากไว้ให้ใครควรและวิจัยพิจารณากันนะอันนี้สมควรเก็วเวลาแล้วเย